ขอกราบบูชาพระรัตนตรัยขอกราบบูชาครูบาอาจารย์ตั้งแต่หลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคำเขียนขอกราบคารวะหลวงพ่อกมมอาจารย์ทรงสินป์ะเทรานุเทละเพื่อนสาธรรมิกและขอเจริญในธรรมแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาที่มาร่วมกันใช้ชีวิตที่วัดป่าสุขโตแห่งนี้ <c oughs> จริงๆแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่วันศุกร์ที่31สิงหาคมพุทธศักราช2555ตรงกับวันขึ้น14ค่ำเดือน9ปีมะโรงถ้านับเวลาแล้วก็ถือว่าเราเข้าบรรษามาได้หนึ่งเดือนละ สำหรับคนที่บวชโดยมีระยะเวลากำหนดออกพรรษาเนี่ยก็เหลือเวลาแค่อีก2เดือนนะฮะซึ่งดูไปแล้วเนี่ยเวลามันก็ไปอย่างรวดเร็วนะครัว่าเวลาเนี่ยมันกืนกินสรรพสัตว์และก็กืนกินเวลาตัวของมันเองด้วยเพราะฉะนั้นวันเวลาเนี่ยมันไม่เคยคอยใครชีวิตของเราก็ หมดไปสิ้นไปแตนะ่สิ่งที่เราจะต้องทำสิ่งที่เราต้องการนะที่มาใช้ชีวิตอยู่ที่วัดป่าสุขโ ต, โตเนี่ยก็เข้าใจว่าแต่ละคนนะก็มีความตั้งใจมีจุดประสงค์ร่วมกันนะที่จะทำอย่างไรให้ชีวิตของเรานั้นเบาสบายขึ้นนะปลดเปื้องความหนักอกหนักใจนะที่เป็นความทุกข์ ที่มีอยู่ในจิตใจของเราเมื่อสักครู่นี้เราได้สวดมงคนลสูตรนะก็มีหลายข้อหนะ้าที่น่าสนใจนะเพราะฉะนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป้าหมายหนะ้าของการที่เรามาใช้ชีวิตอยู่ที่วัดป่าสุกโตเนี่ยนะนะเราก็คงมีเป้าหมายร่วมกันานะที่จะทําอย่างไรให้ชีวิตเราเห็นความจริงนะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะสิ่งที่เป็นความหลุดพ้นนะจากความทุกขนะ์นี้เป็นเป้าหมายที่ชัดเจนการมาอยู่วัดป่าสุกโตเนี่ยนะก็ถือว่าอยู่ในประเทศอันสมควรนะเป็นมงคลข้อหนึ่งเหมือนกันนะเพราะว่าวัดป่าสุกโตเนี่ยมีสภาพแวดล้อมมีบรรยากาศนะที่เอื้ออำนวยให้ทุกท่านเนี่ยได้มีโอกาสนะที่จะเรียนรู้ ชีวิตของเราได้อย่างเต็มที่นะมีอิสระอย่างเต็มทีนะ่แล้วก็ความตั้งใจของพวกเราที่มาใช้ชีวิตอยู่ที่นีนะ่ก็ถือว่าเราเป็นผู้มีบุญนะมีบุญมาก่อนนะก็เป็นมงคลข้อหนึ่งเหมือนกันนะเมื่อสภาพแวดล้อมมีพร้อมนะสิ่งที่เราตั้งใจก็พร้อมแล้วนะก็เพียงจะอยู่ที่ตัวเรานะจะทํำสิ่งที่ เราตั้งหรือมุ่งหวังเอาไว้ในการที่มาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่นะโดยเฉพาะยังยิ่งนะเมื่อตอนที่เราโดยเฉพาะพระใหม่เนี่ยนะตอนที่เราบวชเนี่ยก็มีอยู่ข้อหนึ่งว่าการบวชของเรานั้นนะมีจุดมุ่งหมายนะเพื่อทำพันิภานให้แจ้งนะนี่ก็เป็นเป้าหมายที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นพระหรือเป็นโยมก็ตามนะอันนี้น่าจะเป็นเป้าหมายสูงสุด นะของการเกิดมาเป็นมนุษย์นะหรือเป็นสิ่งที่เราจะทำให้เกิดมีขึ้นกับตัวเราจากบทสดมนนะก็มีในตอนท้า ย, ายว่านะจะทำอย่างไรให้ที่สุดแห่งทุกข์นั้นจะพึงปรากฏชัดแก่ตัวเราได้ซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยในครั้งพุทธกาลเนี่ยก็มีภิกษุรูปหนึ่งได้พยายามค้นหาว่าที่สุดของทุกเนี่ยมันอยู่ที่ไหน พนะิกษุรูปนี้เนี่ยมีความสามารถมากในการที่จะเหาะเหินเดินอากาศไดนะ้ก็ไปคิดว่าที่สุดของทุกข์ที่สุดของโลกนั้นมันอยู่นอกตัวนะก็เหาะไปสวรรค์ชั้นต่างๆนะไปถามเทวดาว่าที่สุดทุกข์มันเป็นอย่างไรมันอยู่ที่ไหนนะเทวดาก็ตอบไม่ไดนะ้ก็ให้ไปถามเทวดาชั้นสูงๆขึ้นไปนะจนไปถึงพระพรหมนะพระพรหมก็ยังตอบไม่ได้ พระพุฒิฯก็แนะว่าให้มาถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็บอกที่สุดทุกข์กมันอยู่ในตัวในตัวท่านะนั่นแหละก็กลับมาดูที่ตัวเอง น, นี้ก็เป็นสิ่งที่ถ้าเปรียบเทียบกับคนในยุคปัจจุบันเนี่ยนคนในยุคปัจจุบันเนี่ยหาความสุขเนี่ยก็จากสิ่งภายนอกนจากวัตถุภายนอกนถ้าเราติดตามข่าวสารในยุคปัจจุบัน องค์การนาซาส่งหุ่นยนต์ไปสำรวจถึงดาวอังคารก็คิดกันไปว่ามันน่าจะมีทรัพยากรมีอะไรที่จะมาตอบสนองนความสุขนะหรืออามาบำรุงบำเรอได้นะหรือบางทีก็บางคนก็คิดถึงขนาดว่าอจะไปฮันนีมูนที่โลกพระจันทร์เป็นความสุขที่คิดว่าน่าจะมีอยู่อีกนะเรียกว่าเหาะกันไปถึงนอกโลก ซึ่งเรื่องเหล่านี้มันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดอะไรนะในครั้งพุทธกาลตามที่ในพระเตวิโดกได้พูดถึงเอาไว้ก็มีอยูนะ่เพราะนั้นคนในยุคครั้งพุทธกาลคดีในยุคปัจจุบันคดีก็คล้ายๆกันก็คือไปหาที่สุดทุกข์หรือไปหาความสุขที่ที่สุดเนี่ยนะไปมองกันข้างนอกนะไม่ได้กลับมามองข้างในนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ทาให้พลาดไป ถึงกับมีฤาษีตนหนึ่งเนี่ยนะมีความสามารถมากนะอยากจะรู้ว่าที่สุดของจักรวาลเนี่ยมันอยู่ที่ไหนเหาะไปจนจนตายอ่ะก็ยังหาไม่เจอเพราะมันไกลมองไปข้างนอกมันไกลมากมันไม่มีที่จบที่สิ้นนะนะแต่พอกลับมาดูที่ตัวเราเองเนี่ยมันมีจุดจบสิ้นได้นะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็เป็นสิ่งสะท้อนนะกลับมาถึงจุดหรือเป้าหมายนะของการที่เรา <c oughs> มาอยู่ที่วัดป่าสุกโตนะที่จะมาเรียนรูนะ้เรื่องชีวิตของเราที่สุดของความทุกข์นั้นเป็นอย่างไร <c oughs> นะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนื้อนะครูบาอาจารย์ก็ได้รับการถ่ายทอดเรียนรู้ฝึกฝนะมาจากพระพุทธองคนะ์ตั้งแต่รุ่นเก่าแก่นำะญปจนถึงรุ่นปัจจุบัน นะซึ่งก็มีวิธีการมีเครื่องมือนะหลายแบบหลายวิธนะีหลายคนก็ได้ยินได้ฟังไปบางคนก็อาจจะเคยได้อ่านนะได้ฝึกมาหลายแบบหลายวิธนะีซึ่งแต่ละวิธีนั้นก็มีจุดมุ่งหมายร่วมกันนี่แหละนะที่จะทำอย่างไรนะให้ที่สุดของทุกเนี่ยปรากฏนะชัดแจ้งแก่เรานะนี่เป็นสิ่งที่ เป็นเป้าหมายที่ชัดเจนของพระพุทธศาสนาการที่เรามาเรียนรู้เรื่องพระพุทธศาสนานั้นก็มีเป้าหมายเท่านี้ยังชัดเจนในส่วนของวัดป่าสุกโตเนี่ยนะก็มีลักษณะที่เด่นชัดอย่างหนึ่งนะก็คือการศึกษาชีวิตนะโดยอาศัยสติปัฏฐานสนีะ่อันนี้ซึ่งเป็นเป็นรูปแบบนะที่ชัดเจนแล้วก็ เป็นรูปแบบที่เหมาะสมกับยุคปัจจุบันมากาในยุคปัจจุบันเนี่ยนะคนโดยส่วนใหญ่เนี่ยนะต้องทำงานต้องเคลื่อนไหวนะเรามีโอกาสที่จะมาอยู่นิ่งๆเนี่ยค่อนข้างน้อยเพราะฉะนั้นการเจริญสติด้วยการเคลื่อนไหวนะที่หลวงพ่อเทียนนะได้ค้นพบด้วยตัวของท่านเองนะแล้วก็พยายามจะนำมาถ่ายทอด น, นำมาเสนอใหกับคนยุคปัจจุบันนะเป็นระยะเวลาท่านนับก็น่าจะ เ, เกือบครึ่งศตรวรรษไดนะ้ตั้งแต่ที่ท่านได้ เ, เข้าใจธรรมะตั้งแต่อายุ46นะปีที่แล้วก็เราฉลองครบรอบ1้อยปีก็น่าจะ50กับกว่าปีมาแล้วนะเรียกว่ากึ่งศตรวรรษได้เหมือนกันวิธีการของหลวงพ่อเทียนนั้นนะเป็นวิธีการที่ สั้นกระทัดรัดแล้วก็ทำได้เริ่มต้นได้ง่ายง่ายนะก็คือสิ่งที่เราทำก็คือการเอ่อมีความรู้สึกตัวนะ่ะกับกายที่เคลื่อนไหวนะ่ะซึ่งมีรูปแบบที่ชัดเจนเนี่ยนะการมีความรู้สึกตัวกับกายที่เคลื่อนไหวสิบสี่จังหวะนะการเดินจงกรมนะ่ะให้มีความรู้สึกตัวกับการเดินนะ่ะ หรือแม้แต่การนอนนี่ก็สามารถที่จะใช้ได้การยื น, นก็สามารถที่จะใช้ได้นในอิริยบทใหญ่ทั้ง4ี่เนี่ยซึ่งพวกเราส่วนใหญ่ก็ได้คุ้นเคยกันดีอยู่แล้วซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยนอกจากอิริยบทใหญ่อิริยบทย่อยเช่นขพิปตาหลืนน้ำลายเหลียวซ้ายแลขวาหรือว่า คูแขนเข้าเหยียดแขนออกนะอันนี้ก็เป็นความรู้สึกตัวนะกับอิริยาบถย่อยเหล่านี้นะหรือแม้แต่ลมหายใจนะที่เราจะคุ้นเคยกับสิ่งที่เราเรียกว่าอานาปนาสตินะนี่ก็เป็นสิ่งที่สามารถจะใช้ได้ตัวกระผมเรียกธรรมาเองก็เคยได้ฝึกนะอนาปนาสติมานะซึ่งก็ได้ผลในส่วนที่ทำให้เรามี ความสุขนามีปิติอิ่ม อ, อกอิ่มใจในขณะที่เรานั่งหลับตาหายใจเข้าหายใจออกก็มีรสชาติที่ที่ติด อ, อกติดใจนะแต่พอเราลืมตาขึ้นมาเนี่ยแล้วเราไปทําการทํางานแบางทีเราไม่ได้จเจริญสติต่ตอนในชีวิตประจําวันเนี่ยบางทีมันก็ไม่ทั น, นไม่ทันกับอารมณ์ ไม่ทันกับความคิดจริงๆอานาปนสติเนี่ยนะถ้าเราทำถูกต้องนอกจากเราจะอยู่ในอิริยาบถ ท, ที่เรานั่งหลับตาแล้วเนี่ยเมื่อเราลืมตา ม, มาเรามีความรู้สึกตัวกับชีวิตประจำวันกับการเคลื่อนไหวก็เป็นสิ่งที่จะเกิดผลได้นะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะถ้าเราทำต่อนเนื่องกันไปเนี่ยมันก็จะทำให้เอ า, เรารู้เท่าทันอารมณ์หรือความคิด นะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สามารถจะทาได้เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นวิธีใดก็ตามนะก็มีเป้าหมายนะหรือมีวิธีการที่คล้ายๆกันเพียงแต่ว่าการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวนะที่หลวงพ่อเทียนท่านได้นำเสนอไว้เนี่ยนะสำหรับคนเริ่มต้นใหม่เนี่ยมันจะง่ายนะเพราะว่าเราสามารถที่จะทำได้นะกับกายที่เคลื่อนไหวของเรานะแล้วก็ แก้ความง่วงได้ดีด้วยนะแต่ไม่ได้หมายความว่ า, าสร้างจังหวะแล้วจะไม่ง่วงนะง่วงเหมือนกันมันง่วงนะแต่ว่ามันมีกำลังแรงนะความรู้สึกตัวเนี่ยมันจะชัดนะชัดกว่าลมหายใจเพราะลมหายใจเนี่ยหรือนั่งหลับตาเนี่ยมันจะชวนให้เราง่วงได้เร็วได้ง่ายและกำลังที่จะต่อกอนกับความง่วงเนี่ยมันก็จะไม่ไม่แรงพอนะเพราะฉะนั้นคนที่เริ่มต้นใหม่เนี่ย ถ้านั่งหลับตาและใช้ลมหาย ใ, หใจเนี่ยนะโอกาสที่จะง่วงแล้วก็โดนความง่วงครอบงําเนี่ยจะเป็นไปได้มากแต่ถ้าเรามาสร้างจังหวะสิบสี่จังหวะก็ดีเดินจงกคมก็ดีมันลืมตาเราไม่ได้หลับตานะแม้ว่ามันจะง่วงนะแต่ว่าการเคลื่อนไหวของกายเนี่ยนะมันจะเป็นตัวที่ต่อกอนกับความง่วงได้ดีนะหรือแม้แต่ความฟุ้งซ่านนะ ตรงนี้มันก็จะต่อกอนกันได้นะเรียกว่ามีกำลังที่พอฟัดพอเวี่ยงกันนะถ้าเรียกว่าเป็นนักมวยก็นักมวยที่พอจะชกกันได้นะแต่ถ้าเรานั่งหลับตานิ่งๆเนี่ยนะเราจะโดนความง่วงเนี่ยเอาไปเอาไปกินหมดนะตรงนี้ยกเว้นแต่ว่าคนที่มีกำลังในความรู้สึกตัวดีนะก็อาจจะต่อกอนกับความง่วงได้เพราะฉะนั้นคนที่ฝึกใหม่ๆเนี่ย นิวรณเนี่ยเป็นสิ่งที่จะมาทดสอบกําลังของเรานะไม่ใช่เป็นอุปสรรคเลยนะนะบางทีเขาบอกนิวรณ์คือเครื่องกลางกั้นอะไรเนี่ยตัวผมเรียกทำไมเองถือว่าเป็นเป็นเครื่องมาทดสอบกําลังของเรานะว่าเราพอจะมีกําลังความรู้สึกตัวเนี่ยพอที่จะตอบก่อนเขาได้ไหมถ้าเราตอบก่อนเขาไม่ได้นะแรกแรกเราก็อาจจะสู้ไม่ได้นะเราก็ฟิตซ้อมขึ้นมา ทำความรู้สึกตัวบ่อยๆในรูปแบบนี่แหละนะให้มันชัดเจนนะใช้เวลาที่เรามีอยู่ที่เราใช้ชีวิตอยู่ที่วัดป่าสุขตโตเนี่ยนะแทนที่เราเจะเวลานะไปทําสิ่งต่างๆเช่นการพูดการคุยการสวนเสฮะฮนะซึ่งตรงนั้นเนี่ยเราก็เคยใช้ชีวิตอยู่ในโลกข้างนอกอยู่แล้วนะแต่ว่าเรามาอยู่ที่นี่เนี่ยเราน่าจะยอม ที่จะสละสิ่งเหล่านั้นลงไปแล้วก็มุ่งหมายที่จะมาทำความรู้สึกตัวตรงนี้เนี่ยจะทำให้เวลาที่มีอยู่เนี่ยไม่สูญเสียไปเราจะไม่ทุกเวลานั้นกืนกินแต่เราจะกืนกินเวลาก็คือใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ในการที่จะทำพระนิพพานให้แจ้งหรือทำที่สุดแห่งทุกข์ให้ปรากฏชัดแก่เราขึ้นมา การเจริญสตินะด้วยการเคลื่อนไหวที่กายนะที่เรียกว่ากายานุปัชนาสติปฐานเนี่ยถือว่าเป็นฐานสำคัญนะถ้าเราทำตรงนี้ชัดเนี่ยนะมันจะเข้าไปรู้เท่าทันนะสิ่งที่เรียกว่าเป็นความสุขความทุกข์นะความปวดความเมื่อยนะหรือว่าอากาศอากาศร้อนอากาศเย็นนะเจ็บไข้ได้ป่วย นะในร่างกายเราเนี่ยมันจะแสดงตัวแล้วเราจะเห็นชัดนะภาพมันจะชัดขึ้นนะหรือแม้แต่ถ้าทำบ่อยๆทำเรื่อยๆทำจนชำนาญจนเป็นนิสัยเนี่ยนะความคิดที่มันเคยคิดฟุ้งซ่านเนี่ยนะมันก็จะรู้เท่าทันนะแล้วมันก็จะมีมันจะไปทอนกำลังให้ความคิดฟุ้งซ่านได้นะจะรู้เท่าทันแลนะถ้าเราทำบ่อยๆเนี่ยความรู้สึกตัวเนี่ยมันจะชับไว มันจะมีประสิทธิภาพมันจะรวดเร็วมันจะทันานะทันกับความคิดทันกับอารมณ์นะซึ่งแต่ก่อนเนี่ยก่อนที่เราจะมาฝึกเราไม่เคยเห็นสิ่งเหล่านี้เราไม่เคยที่จะเอาชนะสิ่งเหล่านี้ได้นะเพราะว่ากําลังสติที่มีอยู่โดยสัญชาติยานมันไม่พอนะจริงๆสติสัมปชัญญะเนี่ยทุกคนมีอยู่แล้วแต่เป็นสติสัมปชัญญะตามธรรมะ ตามสัญชาตญาณ น, นะมันไม่เพียงพอนะที่จะไปรู้เท่าทันนะอารมณ์ความรู้สึกและความนึกคิดนะเพราะฉะนั้นที่เรามาเนี่ยเราก็ต้องมาฝึกเรื่องพวกนี้นะการทําในรูปแบบนะมันจะส่งผลนะในการใช้ชีวิตประจําวันนอกรูปแบบด้วยนะถ้าเราทําในรูปแบบชัดเนี่ยนะนอกรูปแบบมันก็จะเอาไปใช้ได้ในชีวิตประจําวัน นะไม่ว่าจะเป็นการเดินไม่ว่าจะเป็นการนั่งการนอนการพูดการคุยการขบฉันนะหรือการทำการทำงานนะเราก็จะทำด้วยสติด้วยความรู้สึกตัวแต่ก่อนนั้นเราทำไปตามความเคยชินตามไปสัญชาติญาณหรือตามไปตามอารมณ์อันไหนที่เราชอบเราก็ทำอันไหนที่เราไม่ชอบเราก็ไม่ทำนะ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเรียกว่าเราตกอยู่ใต้อำนาจนะของความเคยชินเก่าๆหรือความเพลิดเพลินนะจริงๆความเพลิดเพลินหรือความยินดีเนี่ยนะภาษาภาษาบาลีเขาเรียกว่ากามนะพูดถึงกรรมเนี่ยนะหลายคนไปเข้าใจว่าเป็นเรื่องของผู้หญิงผู้ชายแต่จริงๆเราเพลิดเพลินในสิ่งใดเรายินดีในสิ่งใดแล้วนะเราหลงลืมตัวเราไม่รู้สึกตัวนั่นแหละนะ เราหลงไปในกมามเพราะฉะนั้นมันมีบทสวด บ, บ, บางบทว่าให้ละกามเสียนะละกามเสียนี่ที่นี้ก็คือกลับมารู้สึกตัวนั่นเองนะอย่าไปหลงเพลิเพลินยินดนะีในสิ่งที่เป็นความเคยชินเก่าๆนะอันนี้เมื่อเราจเจริญสติได้บ่อยๆชัดเจนเนี่ยมันก็จะเห็นอาการของจิตที่มันละเอียดลงไป นะซึ่งตรงนี้ก็ต้องอาศัยความเพียรความพยายามนะแล้วก็ใช้เวลาทุ่มเวลาให้กับเรื่องนี้โดยเฉพาะนะเรามีเวลาตลอดนะที่เราจะจัดสรรให้นะหลังจากที่เราทำกิจวัตรประจำวันช่วยงานส่วนรวมแล้วในะเวลาที่เหลือเนี่ยเราควรจะใช้กับเรื่องพวกนี้ให้เต็มที่นะอย่าเห็นแก่การการนอนการกินการพูดการคุย ซึ่งตรงนั้นเนี่ยจะทำให้เราเสียเวลาไปแล้วก็จะได้ประโยชน์น้อยมงคลชีวิตที่จะเกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยก็จะไม่เกิดขึ้ น, นอย่างที่เราสวดมงคลสูตรดเมื่อสักครู่เนี่ยมันก็มีหลายข้อที่ที่เราสามารถจะนำมาใช้ได้กับการเจริญสติของเราการได้ยินได้ฟังมากการมีศิลปะวิทยาคำว่าศิลปะวิทยาก็คือเรามาฝึกนั่นเอง มาฝึกมาฝนมาอรมมาเจริญสติมาหาประสบการณ์นะ่ะที่เกิดขึ้นจริงจริงนะ่ะลองผิดลองถูกนะอย่าไปถือว่าทำนี้จะต้องถูกหมดนะบางทีมันก็ผิดบ้างนะ่ะผิดหรือหลงไปลรวก็รู้ว่าเป็นบทเรียนนะ่ะเราจะได้ไม่ผิดอีกทำไปอาจจะเกิดสงสัยนะ่ะหรือว่ามันตื้อมันตันมันไม่ไม่รู้จะออกไปทางไหนทำด้วยตัวเองไม่ไหว นะก็มาถามครูบาอาจารยนะ์หรือผู้ที่เคยเดินทางมาก่อนนะก็เป็นการแบ่งปันนะเป็นการแลกเปลี่ยนประสบะการณ์กันนะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะพากันไปสู่ในทางที่กระทำให้เกิดการรู้แจ้งขึ้นมานะหรือว่าที่สุดของทุกนั้นได้ปรากฏขึ้นกับเราอย่างชัดแจ้ง นะซึ่งเป็นเป้าหมายนะที่สูงสุดที่เกิดขึ้นทีนี้เมื่อเราทําไปแล้วเนี่ยนะแน่นอนละมันก็มีอุปสรรคอะไรต่างๆเกิดขึ้นนะอย่างเช่นที่ชัดๆเนี่ยสหรับกลุมเริ่มต้นก็คือนิวรณ์นะก็คือโดยเฉพาะชัดๆก็คือความง่วงความฟุ้งซ่านนะหรือความรู้สึกเออลำบากนะความลําบากเนี่ยมันก็คือเป็นสิ่งตรงข้ามกับ เราเคยสุขสบายนะอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะหรือว่าความสงสัยรังเลนะตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้สิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นเนี่ยให้เรากลับมารู้สึกตัวบ่อยๆนะการกลับมารู้สึกตัวเนี่ยถือว่าเป็นเครื่องมือสำคัญเลยนะนึกอะไรไม่ออกกลับมารู้สึกตัวกลับมารู้สึกตัวอารมณ์อะไรเกิดขึ้นกลับมารู้สึกตัว แรกๆเนี่ยให้กลับมารู้สึกตัวที่กายให้ชัดบ่อยๆนะตรงนี้เนี่ยจะเป็นฐานนะสำคัญนะที่เราจะใช้ในการเดินทางนะต่อไปเอ่อได้จนถึงที่สุดนะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องพิสูจน์นะด้วยตัวเราเอง mm. เมื่อเราเห็นกายเห็นใจชัดเจนนะที่เราเรียกว่ารูปนามชัดเจนแล้วเนี่ยนะต่อไปมันก็จะไปเห็นเอ่อ จิตนะซึ่งจิตเนี่ยเรามองไม่เห็นหลักจะเป็นอาการของมันนะที่เราเรียกว่านามรูปนะซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าเราพูดกันง่ายๆก็คือความคิดนั่นแหละนะความคิดเนี่ยมันมีสารพัดนะที่มันจะล่อหลอกเราแต่บางทีเราทำไปนะเราก็คิดว่าเรารู้แล้วเราเข้าใจแล้วเราถึงที่สุดแล้วนะบางทีมันก็หลอกเรา นะหรือบางทีเราก็คิดไปว่าเออเนี่ยเราเข้าใจแล้วเราจะต้องไปพูดให้คนนั้นคนนี้ฟังนะเราจะต้องไปสอนคนนั้นคนนี้นะอันนี้เราก็ลืมตัวไปนะเราไม่รู้ตัวซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าเราไม่แยบขายพอนะสะติเราไม่ชัดพอนี่เราจะหลงไปในความคิดเหล่านี้นะหรือบางทีเดินไปตัวเบาสบายโปง่งโลง่งแม้วันนี้นะเราถึงที่สุดทุกแล้วนะอันนี้ก็หลงไปลืมไป ลืมตัวไปเพราะนั้นอาการเหล่านี้ถ้าเกิดขึ้นก็กลับมารู้สึกตัวนะกลับมาสู่ความเป็นปกตินะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีเล่ห์เหลี่ยมนะความคิดเนี่ยโอ้โหเล่ห์เหลี่ยมมันเยอะมากนะบางทีก็ยกย่องตัวเราเองนะอันนี้มันก็มีเหมือนกันโอ้ดีจังเลยลมาทำมาปฏิบัตินะ บางทีก็ไปเทียบกับคนอื่นว่าเราดีกว่าเขาไอเนี่ยไอนี้เป็นสิ่งที่อันตรายมากแต่เราไม่เคยรู้ตัวนะถ้าความรู้สึกตัวไม่ชัดอาการเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวกระผมเรียตา ม, มานะไม่ได้ไม่ได้เอามาจากไหนนะบางทีเราก็หลงลืมไปนะการที่เราไม่ได้มันทำบ่อยๆเราไม่ได้เจริญสติบ่อยๆเนี่ยก็ทำให้เราหลงลืมได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ย ถ้าเรายังไม่ถึงที่สุดแห่งทุกข์ถ้าความพ้นทุกข์ยังไม่ปรากฏชัดเนี่ยเราอย่าประมาทนะไม่ประมาทนะซึ่งพระพุทธองค์ก็ได้เตือนไว้นะในปัฏิมโอวาทหนะว่าสงขารั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงนะท่านจนถึงซึ่งความไม่ประมาทนะซึ่งตรงนี้นะเป็นสิ่งสําคัญเพราะฉะนั้นการใช้ชีวิต การเรียนรู้เรื่องกายเรื่องใจเรื่องความจริงของชีวิตเนี่ยนะให้เราเจริญสติอยู่บ่อยๆนะถ้ายังไม่ถึงที่สุดก็อย่าหยุดนะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ถ้าทำให้เกิดขึ้นนะถ้าที่สุดแห่งทุกปรากฏชัดนิพพานแจ้งในนิพพานแล้วเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นมงคลสูงสุดอันหนึง่งแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ย มันจะทดสอบได้เราจะดูได้เมื่อเราใช้ชีวิตอยู่กับสังคมเนี่ยเรื่องมันมีมากระทบใจเราและเป็นยังไงเรายังโกรธยังรังเศร้าเสียใจมีคนมาพูดไม่ถูกหูอ่นะอันนี้อ่ะเจตใจเราก็ยังหวั่นไหวอยู่อนะเรียกว่าโลกธรรมแปดเนี่ยก็ยังมีอิทธิพลอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเราหลงว่าเรารู้แล้วเราเข้ใจแล้วนะ่ะอันนี้ก็เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นเครื่องมือ ที่จะบอกเราหรือเป็นสัญญาณบอกว่าสิ่งที่คุณเข้าใจนะคุณหลงไปแล้วเพราะฉะนั้นการตรวจสอบการพิจารณาตัวเราเองเนี่ยนะส่วนหนึ่งเราก็ใช้ตัวเราเนี่แหละเป็นผู้สังเกตลนะอีกส่วนหนึ่งอาจจะมีครูบาอาจารย์มาตักเตือนนะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสภาพแวดล้อมนะที่จะเอื้ออานวยหรือเกื้อกูลนะ ให้พวกเรานั้นได้เดินทางนะไปถึงที่สุดของทุกนะซึ่งเป็นเป้าหมายที่สูงสุดในพระพุทธศาสนาแล้วก็คิดว่าทุกท่านเนี่ยก็คงมีเป้าหมายตรงนี้เหมือนกันนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะเล่าสู่กันฟังนะเป็นการแลกเปลี่ยนจากประสบาการณนะ์ที่ได้ประสบพบเห็นมานะแล้วก็นามาเสนอนะ ถ้ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดขาดตกบกพร่องนะก็หวังว่าครูบาอาจารย์เพื่อนสาธมิกนะแล้วก็กัลยาณมิตรนะจะได้ช่วยชี้แนะตักเตือนนะเพื่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้านะกับตัวกระผมนิยตมาเองแล้วก็ให้เกิดความเจริญก้าวหน้าแก่หมู่กลุ่มนะที่มาใช้ชีวิตอยู่อ ย, อยู่ที่วัดป่าสุขโตด้วย ในท้ายที่สุดนี้นะก็หวังว่ า, าความตั้งใจความปรารถนาของทุกท่านนะที่ได้ตั้งใจไวนะ้แล้วก็มีความเพียรพยายามนะที่จะทำให้ถึงที่สุดของทุกนะจงประสบพบเห็นนะในาชาตินี้โดยทั่วหน้าทุกท่านเทินเจริญพร